ท่านผู้ใดจบท่านผู้ใดจกจะมาจากสถานที่ใดสกุลไหนก็าตางเนี่ยมาบวชเป็นพระอยู่ร่วมกันมีเจตนาเป็นธรรมด้วยกันจึงอยู่ด้วยกันเป็นผาสุไม่เด้นนิยมแบบโ ล, โลกที่เขาใช้กันเขาถือกันถือหลักทำหลักที่ในเป็นที่ตั้ง หลักธรรมหลักพินัยก็คือหลักของพระที่จะต้องดำเนินตามทั้งกายวาจาใจสามถวายเป็นไปตามหลักธรรมหลักพินัยอย่างเดียวเท่านาัา้นเงื่อนกิจใจเป็นไปตามหลักธรรมหลักพินัยแล้วจะมีจํานวนมากน้อยก็อยู่ด้วยกันเป็นปาสุไม่มีอะไรที่จะทําให้หลักแทะระคายทําให้เจ้ามอง ภายในจิตใจเพราะเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับหมู่คณนะซึ่งอยู่ร่วมกันไม่ไมีไม่เกี่ยวความผาสุกเพิ่มเจินาการจำพรษาก็หมายถึงการอยู่เป็นที่เป็นฐานในระยะไตรมากคือสามเดือนเป็นโอกาสที่นักบวชเราผู้ปฏิบัติเราทั้งหลายจะได้เร่งข้อวัดปฏิบัติของตน ให้เต็มที่เต็มฐานเป็นสติกําลังความสามารถต่อสู้กับสิ่งที่เป็นค่าสิทธิซึ่งมีอยู่ภายในใจของตนตามหลักศาสนาธรรมท่านในชื่อกิเลสก็คือสิ่งที่เป็นภัยหรือเป็นมารของธรรมนั่นแหละมันใช่อื่นไกลที่ไหนพวกนี้เป็นเจ้าของของใจเวลานี้มีอํานาจเหนือใจหุ้มห่อจิตใจจนเมื่อจมิดมปิดตามองหาวัานทางอันถูกต้องดี ง, งามแทบไม่เจอ เพราะสิ่งเหล่านี้เดินสวนทางกันกับธรรมจึงเรียกว่ามานของธรรมได้แก่กิเลสกิเลสมานท่านให้ที่แล้วผู้ปฏิบัติเพื่อจะกำจัดสิ่งเหล่านี้ต้อง ม, มีความอดความทนมีความภาคเพียรหนักก็เอาเบาก็ไม่ถอยต่อสู้ด้วยไปมีสติมีปัญญา สอซพินิจพิจารณาความเคลื่อนไหวของใจที่ออกมาจากตัวมารบังคับให้แสดงระมัดระวังอยู่เสม อ, อ่าถือเป็นจะถือการถือเวลาเป็นสำคัญยิ่งกว่าการรักษาการสังเกตสอดรู้ความเคลื่อนไหวของใจเป็นอันดับแรกกายวาจาเป็นอันดับต่อมาในคำหนึ่งในะระลึกอยู่เสมอภายในตัวของเราจึงชื่อว่าเป็นนักรบ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 คณะทั้งสามเป็นแม่เหล็กดึงดูดจิตใจได้เป็นอย่างดีหากเกิดความท้อต่อนแผลมาก็ให้ลึกถึงพระพุทธเจ้าเบื้องต้นให้เราลึกถึงปฏิบัตธรที่ท่านดำเนินมาก่อนความทุกข์ความลำบากแสนสาหัสพระพุทธเจ้าทรงรับก่อนผู้อื่นใดในการปฏิบัติธรรมและเป็นเจ้าของศาสนาจนมาเป็นศาสดาของพวกเรา การเสด็จออกทรงผนวดจากสกุลพระมหากษัตย์ไปเป็นคนขอทานคืออนาถาหาที่พึ่งที่อาศัยหาปัจจัยทั้งสี่ไม่ได้พอยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยความสืดเปืองในร่างของกษัตย์วันหนึ่งวันหนึ่งไปเท่านั้นต้องได้รับความลำบาก มีหน้ำซ้ำบริษัทบริวาลซึ่งเป็นเครื่องกังวลก็มากยิ่งกว่าคนสามัญธรรมดาเราเพราะกระสัออกบวชสมบัติของกระสัมีมากน้อยเพียงไลทำไมจะไม่ห่วงใยไม่รักไม่สงวนต้องรักสงวนอย่างยิ่งตับขัวหัวใจออกไปนั่นเองถึงไปได้นี่ก็เป็นความทุกข์แต่และอย่างละอย่างการ สเสด็จออกทรงผนวดก็เป็นความทุกข์แสนสาหาัสเสด็จออกไปแล้วกิเลสมันไม่ได้บวชกับพระองค์ก็ต้องได้ต่อสู้กับกิเลสความหองอยทางบ้านเดินภูอ้าสมบัติตลอดบริษัทบริวารไฟฟ้าประชาชีทั้งหลายทั่วแผ่นดินที่พระองค์เคยปกครองอยู่ต้องเป็นความขังบลรุ่งเหย็นวุ่นวายป่อควรจิตใจนะครับความชอกช้ำอยู่ตลอดถึงถี่วัดต่อสู้กับความทุกข์คือกิเลสฌานนี้ มากมายหายกอนการทรงบาเพ็ญอยู่ในระยะนั้นที่อยู่ที่อาศัยใครมาสร้างมาทาพอให้อยู่ก็ไม่สราบอาจจะอยู่ตามถ้ทํามห า, าไปอย่างนั้นมากกว่าจะอยู่ตามร่มไม้ในฤดูฝนต้องอยู่ในถ้าเป็นน้นมากกว่าหน้าแรงนั้นเป็นธรรมดาที่พอจะแสวงหาได้ปัจจัยเครื่องอาศัยอาหารบิณฑบาต เที่ยวขอทานเข้ามาเหมือนกําโลกขอทานเขาทั่วไปหรือนักบวชในสมัยนั้นขอทานกันทั่วไปธรรมดานี่เองไม่ได้เป็นคนขอทานพิเศษอะไรเหมือนดังพระเราที่บวชในพุทธศาสนาของพระเจ้าซึ่งคนเคารพย่อมใสแล้วไปบวชเขาให้ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนให้ด้วยความเคารพเลื่อมใสทุกแง่ทุกมุมประตูปัจจัยเทวทานทุกชิ้นทุกอันให้มาด้วยความเชื่อความใสความตรวนักพัฒน์ดีต่อศาสนาต่อ พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสง์ต่อครูบาอาจารย์ฤาษพระเหล่านั้นจริงๆไม่ได้เหมือนขั้งพุทธการที่พระพุทธคั้งก่อนพุทธการที่พระพุทธเจ้าทรงเสาะแสวงหามาสวยนั่นเลยนั่นเป็นประเภทคนขอทานธรรมดาของนักบวชในครั้งนั้นจึงหาความสะดวกสบายไม่ได้ในปัจจัยทั้งสี่คือกีวรเครื่องนุ่งห่มก็ขัดข้องยุ่งเหยงไปหมดขาดขาดเขินเขินบินธมาตอาหารการิโภคกตามเกิดตามมี ของประเภทบ้านเมืองเขาซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งเสวยของกษัตริย์มาแต่ก่อนเลยที่อยู่ที่อาศัยกใครจะมีศรัทธาพอที่จะไปสร้างให้พระองค์อยู่ได้อย่างสะดวกสบายหรูหราก็ต้องอาศัยลงไม้ชายเขาไปอย่างนั้นมีแต่ความลำบา ก, กําบน <c oughs> แล้วยาแก้ไข้แก้โรคแน่ใจว่าไม่มีอะไรติดพระองค์ไปเลย ความลำบากทั้งสี่นี้รวมอยู่แล้วพระองค์ทรงรับหมดเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่ถือเป็นความกังวลวุ่นวายกับสิ่งยนต์นี้แต่ความมุ่งมั่นในความเป็นศรราสดาของโลกและที่จะพ้นจากทุกในการบันเป็นของพระองค์นั้นเป็นความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าสามารถที่จะดับพระชีพหรือผชนได้โดยไม่ต้องสงสัยด้วยเหตุนี้จึงฉลบถึงสามครั้งก็ยังไม่ถอย ความทุกข์มากขนาดถึงสลบไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยถ้าไม่ฟื้นก็ต้องตายนี่คือประโยคพยายามและการบำเพ็ญของพระพุทธเจ้าเพื่อความเป็นศาสดาของพวกเราทั้งหลายได้เป็นมาด้วยความลำบากยากเย็นเช่นนี้แล้วแนวทางแห่งการดำเนินก็ไม่มีใครเคยบอกหรือสอนผูว่าเป็นทางที่ถูกต้องอน่งางพอที่จะได้ทรงบำเพ็ญไปด้วยความสะดวกสบายเหมือนอย่าง พวกเราทั้งหลายที่มีแบบแผนตำหักตำราและครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนอยู่แล้วทุกวันนี้ผิดกันมากมายราฟ้ากับดิบนี่แหละเมื่อเกิดความทุกข์ความลำบากถ้าเกิดความท้อถอยอ่อนแอลงไปให้ระลึกถึงปฏิปทาของพระพุทธเจ้าที่เป็นพระอาภรพระบิดาของพวกเรายึดมาเป็นหลักใจจะมีกำลังใจต่อสู้กับมารคาว่ามารก็ได้แก่กิเลส มันดูดภายในหัวใจมีกำลังมากคอยจะตบจะต่อยจะทุบจะตีเราอยู่ตลอดเวลาพวกนี้ไม่หาโอกาสไม่หาสถานที่ไม่หาเวลาไม่หาอิเดียบทมีอยู่กับใจเผื่อเมื่เป็นต่อยเมื่อนั้นเผื่อเมื่อใเป็นบีบคั้นเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นความโลภความโกรธความหลงจึงไม่เคยจืดจางจากจิตใจของสัตว์โลกนี้เลยเพราะสภาพทั้งสามนี้คือตัวกิเลสและผลคือความทุกข์ความลาบาก จังต้องเป็นไปตามตามกันกับเหตุที่มีเป็นประจำอยู่ภายในาจิตใจนะคือเงื่อนหลึกอย่างนี้พระธรรมก็เป็นของประเสริฐธรรมนี้ประเสริฐได้ด้วยชั้นทาวิริยะกิตติมังสาชั้นทา้าคือความพอใจในงานเช่นเดียวกับพอใจในผลของงานวิริยะภาคเคียนในงานนั้นให้สําเร็จรุ่ง่วงไปตามความมุ่งหมายกนะิตติให้มีความรักให้ฝ่ายใจต่อหน้าที่การงานของตน อยู่ใกล้คิดสนิทกับใจรักษาใจทุกิยาบทเว้นแต่นอนหลับเพี้ยเท่านั้นวิมังสาด้แก่การไข้รวนพินิจพิจารณาจะทำจะพูดอะไรมากน้อยกว้างแคบขนาดไหนใกล้ไกลกี่ต่างให้มีสติให้มีปัญญาพินิจพิจารณาในเหตุผลที่ควรไม่ควรก่อนทีน่ จ, จะทำจะพูดเพื่อ จ, จ, จ, จ, จะคิดออกมานี่ท่านสอนว้แล้วทุกแง่ทุกมุม พวกเราทั้งหลายยึดนี้เป็นหลักเป็นจริง น, นี่เรียกว่าธรรมฉะ น, าานั้นข้าฉามิยึดเหล่านี้เป็นแ ส, ะสะนสะสังขังฉะนังคข้าฉามิก็เหมือนกันบรรดาพระสงฆ์สาวกออกมาจากสภูนพระราชามหากษัตริย์ก็มีเศรษฐีกูรุมผีพระคับประชาชนคนธรรมดามีสับป่นกันมาตั้งแต่ขั้งนั้นเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้ท่านเหล่านี้ย่อมได้รับความสมบุกสัมบันในการประกอบความเท่าเทียมเพราะการต่อสู้กับพิเรศเช่นเดียวกันหมด แม้จะมีความสะดวกสบายบ้างก็เป็นบางรายบางองค์เท่านั้นจึงร้อยนจะหาเพียงองค์เดียวก็หาได้ยากหลักจะว่าพันต่อองค์คงจะเป็นความสะดวกสบายตรัสรู้ได้เร็วเช่นขิปาพิมพ์สุขาปฏิบัติธาขิปาพิญญาทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วอย่างนี้จะมีจํานวนหนึ่งในร้อยโอ้ในพันส่วนมากทุกขาปฏิบัติธาทันธาพิญญานั้นนักมากอุคติตัญญู ผู้รู้ได้เร็วนี่มีจํานวนน้อยนิปจิตันยูผู้รู้ได้เร็วลองลําดับกันลงมานี่ก็มีจํานว น, านมากขึ้นหน่อยในยะนี่มีจํานว น, านมากมายทีเดียวต้องสั่งสอนฝึกฝนทามาหลายครั้งหลายหนแทบเป็นแทบตายถึงจะปรากฏผลขึ้นมาเหล่านี้พภาษาวกทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้ผ่านมาแล้วทั้งนั้นไม่ได้ไม่ใช่สาวกที่ลางมือเปิดแล้วมาสั่งสอนพวกเรา เนี้ยก็จะมีความทุกข์เฉพาะพวกเรานี่ทั้งนั้นเท่านั้นสาวกทั้งหลายไม่มีความทุกข์เลยอย่างนี้เป็นไปไม่ได้ด้วยเหตุ น, นี้จึงควรยิดท่านเป็นสาระบางองค์ฝ่าเท้าแตกเดินจงกรมทาความภาคเพียรนี่แหละความทุกข์ถึงฝ่าเท้าแตกคิดดูสิไม่ใช่โดนสะดุดไม่ฝ่าเท้าแตกเดินไม่หยุดไม่ถอยฝ่าเท้ามันบางเพราะถูกถูกถูกไถกับพื้นดินเพราะการเดินกลับไปกลับมาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยเรื่อน้าแห่งความเพียรกล้านั่นแหละ จนฝ่าเท้าแตกผ่านความทุกข์เหมือนกันพระสาวกทั้งหลายผ่านความทุกข์ความทรมานมาก่อนที่จะได้ชัยชนะฆ่าทิเดศให้ชิบหายภ า, ายในจิตใจมาเป็นสังกังขะนังทศานนี้ของพวกเรานี้รู้สึกสมบุกสมบันมากเราอย่ามาคิดว่าทั้งเราคนเดียวเท่านั้นที่ประกอบความภาคเพื่งได้รับความสะดวกเได้รับความทุกข์ความยากความลําบากแต่แล้วก็รู้ไม่แล้วก็ไม่รู้ได้ไง่ายๆด้วยอย่างนี้ สาวกทั้งหลายเคยเป็นมาแล้วด้วยกันทั้งนั้นแต่พระพุทธเจ้าก็หกไปที่ได้รับความทุกข์ทรมานมาเพราะความภาพเพียนและสินแวดล้อมเกี่ยวข้องต่างๆมีมากมายที่จใจพระองค์ได้รับความทุกข์ยึดเข้ามาเป็นหลักเป็นของจิตใจแล้วยึดเหนี่ยวตามปฏิปทาที่ท่านดำเนิยมานั้นศาสดาก็ดีพระสงฆ์สาวกก็ดีกว่าจะได้ทําทั้งแท่ ง, ทงขึ้นมาเป็นชิ้นมงคลหรือมหามงคลคลอ ง, องใจนั้นแทบเป็นแทบตายสลบสลาย เาเป็นลุกิษย์ทศทางเดินอยู่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าก็สอนแบบนั้นจึงต้องดาเนินทุกข์ยากลําบากก็ต้องฝืนไปจึงชื่อว่าการต่อสู้ไม่ถอยหลังหากว่าพระพุทธเจ้าจะชงเลือกเฟ้นได้เป็นความสะดวกสบายแก่บรรดาสาวกและคุณมระบบสุดท้ายภายหลังคือบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายให้ดําเนินเรื่องความสะดวกสบายยิ่งกว่าพระองค์และสาวกทั้งหลาย แล้วพระองค์จะทรงบัญญัติทรงแนะนำสั่งสอนวิธีที่ง่ายที่สุดให้แก่ บ, บรรดาสัตว์ทั้งหลายแต่นี้หาทางเดินไม่ได้อย่างนั้นเพระพระพุทธเจ้าก็ทรงนำเดินมาอย่างนี้ทางไปแถวแถวนี้ไม่มีทางอื่นเป็นที่ไปยากลําบากก็ต้องไปนี้เมื่อทรงรู้ก็รู้ด้วยแบบนี้เพราะเฉะนั้นเวลาสอนจึงต้องสอนแบบนี้พวกเราทั้งหลายจึงเป็น ตอตตรเรากร็ขององค์ยึดตพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหลักใจมาเป็นเครื่องยึดเป็นก็เป็นตายก็ตายเถอะตายเพราะอำนาจกิเลสเหยียบย่ำทำรานี่เคยตายมากี่ภพกี่ชาติทุกเพราะอํานาจของกิเลสเหยียบย่าทําลายนี้ทุกมาเป็นประจาําพยในจิตใจยังระบาดเอาไปถึงส่วนร่างกายอีกด้วยแต่ทุกเพราะความภาคเพียร น, นี้ยังไม่เห็นปรากฏเลยมากนักเลยให้เด่นแต่ทุกยากขนาดไหนก็เอาสิ ต่อสู้กับกิเลสต้องทุกเพราะไม่มีสิ่งใดที่เสียเหนียวแน่นแกนมั่นคงจอมเฉลียวฉลาดยิ่งกว่ากิเลสไปจึงต้องได้เป็นเจ้าอานาจครองหัวใจของสัตว์โลกทั้งสามโลกกถาพิมพ้ได้โลกที่มาสัตว์โลกที่มาเกิดนี้เพื่อํานาจของกิเลสเท่านั้นทำให้เกิดไม่มีกิเลสเสียอย่างเดียวเท่านั้นไม่ไม่เกิดกันเลยแล้วไม่แก่เจ็บตายไม่ได้รับความทุกข์ความลำบากอันเป็นสายยาวเหยียดไปอย่างนี้เลย มีกิเลสเท่านั้นเป็นตัวฉลาดแหลมคมมากที่สุด <c oughs> แลเมื่อเป็นเช่นนั้นการต่อสู้กับกิเลสเราจะ ต, ต่อสู้แบบงู้งต่อสู้แบบขี้เกียจอ่อนแอล้างมือเปอิดมันได้อย่างไงมันไม่ใช่ทางของการท่ากิเลสมันเป็นทางส่งเสริมหมอบราบกับกิเลสต่างหากเพราะฉะนั้นจึงต้องพลิกกันอยู่เสมออุบายใดที่จะเป็นไปเพื่อ ท, าทําลายกิเลสได้ อุบายนั้นต้องออกมาใช้วิธีการใดหนักเบามากน้อยอย่างไรที่เป็นการห้ามหั่นกับกิเลสให้ขาดกระจายลงไปจากใจได้โดยลํา ด, ดับแล้วนํำวิธีการนั้นมาใช้นะทุกก็ต้องยอมรับว่าทุกเพราะทํางานเพราะการต่อสู้เพราะการเข้าสงครามสงครามระหว่างกิเลสกับธรรมนี่กับกิเลสกับกิจกิเลสกับธรรมนี่เป็นสงครามที่หนักมากทีเดียว ไม่มีสงครามใดในโลกจะเสมอนี้เลยแต่เวลาได้ชัยชนะแล้วไม่มีชัยชนะใดที่เนหนือ <c oughs> ชัยชนะกิเลสนี้เลยเนี่ยหลักใหญ่ตรงนี้พากันตั้งใจไิปฏิบัติอันเรื่องว่ามรรคผนิพพานมีอยู่หรือไม่มีหรือสินส้นเฉดสิ้นสิ้นสมัยไปแล้วนั้นนั่นเป็นบุรุษตาฟางคนโง่เขลาเบอร์ปัญญาคนหมดสาระคุณในตนจึงนำเอาเรื่องของกิเลสหลอกลวงนั้น มาบีบบังคับจิตใจของตนจนหากําลังใจที่จะประกอบคุณงามความดีเพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อว่าคผลนิพพานไม่ได้นี่เป็นกลมายาของพิเลศที่แนบสนิทที่สุดกลอมสับโลกวิรันแม้ที่สุดพระเราก็ถูกกร อ, อมมรรคผลนิพพานไม่มีเขาจะทําอะไรก็ทําไปเถอะไม่ได้เลื่องในลาวอะไรละหมดเช่นหมดสมัยไปแล้วนั่นคือคนหมดสาระกลุ่ะตั้งทั้งที่ยังไม่ตายก็หมดไปแล้ว ศาสนาธรรมของพระเจ้าตรัสไว้แล้วว่าสวขสดิธรรมแบบไว้ชอบแล้วชอบอย่างไรต้องชอบด้วยเหตุด้วยผลชอบตามหลักความจ ร, จริงจึงเรีวยกว่าชอบพูดแล้วว่ามรรผลนิพพานมีสังสอนเ้าเพื่อสั่งสอนเพื่อมรรคผลนิพพานทําไมมรรคนิพพานจะไม่มีอืกวิธีการประพฤติปฏิบัติทุกแง่ทุกมุมประพฤติปฏิบัติเพื่อกําจัดกิเลสออกจากใจแล้วเพื่อเห็นนิมรรคผลนิพพานภายในจิตใจของตนเองแท้ตัวแท้แล้วทําไมจะ <c oughs> มรรคผลนิพพานจะไม่มี มรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนจริงไม่มีจึงหมดเขตหมดสมัยมรรคผลนิพพานเป็นเขตเป็นสมัยหรือ <c oughs> มรรคผลนิพพานเป็นการเป็นเวลาเป็นสถานที่เหรอแล้วกิเลสมันเป็นการเป็นเวลาเป็นสถานที่ที่ไหนมันอยู่ที่หัวใจคนมันอยู่นี่ไม่มีคําว่าการไม่มีคําว่าสถานที่ไม่มีคําว่าียาบทกิเลสมันครอบอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจของสัตว์โลกโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งจิตใจเราที <c oughs> นี้การแก้กิเลส ด, ด้วยอุบายต่างๆจะไปหาเขตหาสมัยที่ไหน ถาเมเวลาที่ไหนแก้ลงที่มันเมื่อมิติการนี้ด้วยความสว่างกระจ่างแจ้งคือสติปัญญาฟาคฟันหันแหลกก็ลงไปศรัทธาความภาเพยียรขันติความอดทนเป็นเครื่องสนับสนุนในการต่อสู้กับทีเหลือโน้มกันลงไปหน้นกันลงไ ป, น, น, น, งไปนี่แหละชื่อว่าผู้ดําเนินเพื่อมรรคผลนิพพานเมื่อ ท, าทํามนักิเลสออกหมดจนไม่มีกิเลสตัวใดตกค้างอยู่ภายในจิตใจแล้วมรรคผลนิพพานหมดไปที่ไหนแล้วมรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจ เพระกิเลสผู้ปิดบังนั้นอยู่ที่ใจเมื่อถอดถอนสิ่งที่มืดมิดปิดตานั้นออกแล้วความสว่างกระจ่างแง้งกับตา ก, กิดขึ้นมาที่ใจดวงนั้นเช่นเดียวกับความมืดนี้มันขึ้นอยู่กับการกับสมัยหรือรัเวลาที่ไหนมันมีมืดมีแก่งงมันอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มากี่กับกี่กันแล้วเราเปิดไฟขึ้นสิถ้าเราต้องการให้ความมืดนี้มันดับไปพอเปิดไฟขึ้นฉะนั้นความมืดนี้จะมาอ้างตัวเองว่าข้าพระเจ้า หรืข้าได้เคยมืดมากีกก่ครั้งกันแล้วไ ม, ไม่ไม่ยอมสว่างเลยเป็นไปไม่ได้เพราะอํานาจของไฟความสว่างของไฟแผดตั้มจับแต่กระจายไปหมดด้วยแต่ความสว่างกระจ่างแจ้งเท่านั้นเองนี่ก็เหมือนกันอํานาจของความมืดคือกิเลสมันครอบอถึงิทังวัจัยอำนาจแต่ความสว่างสว่างาคือสติปัญญาศรัทธาความเพียงฉายเข้าไปที่ตรงนั้นเปิดขึ้นที่ตรงนั้นก็สว่างกระจ่างขึ้นที่ตรงนั้นแล้วมีการยืนยันที่ที่ตรงไหนที่นี่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 ที่เราจะเชื่อกิเลสหรือจะเชื่อศาสดาผู้เคยปราบกิเลสให้อยู่ในงิ้วมือมาแล้วอันนี้เป็นหลักสําคัญเราก็ไม่ได้เคยพูดว่ากิเลสสร้างหลังกระถามมีไหมทํามาเราจึงไปนอบน้อมต่อมันให้มันกล่อมมาสักครึ่มแล้วหลับอยู่ตลอดเวลาตั้งกับตั้งกันมาแล้วไม่รู้จักเวลาตื่นมีอย่างหรือทำท่านเตือนอยู่เสมอว่าโกนุฮัโซกิมานันโดนิจังปฏติเตสติอันทัเอันทเกเลอันทะกอันทัการเลนะโอนัฐาปฏิปปิบังนัปฏิปังนับเวรสถธา ก็เมื่อโลกสันนิวาสนี้ได้รุ่มร้อนอยู่ด้วยไฟราคะตัณหามันเผาล้นจิตใจยอยู่ตลอดเวลานี้ยังพากันยิ้มแย้มแจ่ใมใสเพราะรับพื้นเดิมบังเถิงด้วยความรุ่งความหลงรูปเนื้อรูปตัวอยู่เหลอนั่นทำไมมันจึงไม่เสะแสงหาที่พึ่งนอนใจเป็นอยู่ทำใหมนี่ทําท่านเตือนท่านโคตรชนะท่านตุกอยู่ตลอดเวลาเอาทำนี้เข้าไปแก้เลยความเบื่เบิงบังเถิงเันแบบพิเลน นั่นมันจะค่อยหลุดรอยไปดูลําดับนะความเลื่นเดิมบันทิงในธรรมทั้งหลายจะปรากฏขึ้นซึ่งเป็นความต่างกันอยู่มากระหว่างความเลื่นเดิมกับกิเลสในกิเลสกับความเลื่อนเดิมในธรรมทั้งหลายนี่สิ่งที่กีดกันมรรคนิพพานไม่มีอันใดไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่มีวัตถุอันใดโลกธาตุทั้งสามโลกธาตุนี้ไม่มีอันใดมาเป็นเจ้าหน้าที่มากีดกันมรรคผนิพพานได้ นอกจากยี่เหลียดอย่างเดียวเท่านั้นเป็นเครื่องกิดกันหรือปิดบังมะขุนิพพานไม่ให้ปรากฏแล้วจะทุกข์กับสมุทัยซึ่งมีอยู่ในใจดวงนี้แล้วสิ่งที่จะเปิดเผยทุกข์กับสมุทยัยอันเป็นตั ว, ตวกีดกันปิดบังมะขุนิพพานนี้ก็ได้แก่มรรคนิโรธมรรคคืออะไรท่านกล่าวไว้แล้วว่ามรรคมัรคสมาปฏิปทา ได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรตุท่านสัมมาสมาธินี่มักมีองค์แปดรวมแล้วมีแปดรวมกับแล้วกับเป็นเอกมรรคามังคีลงในสติปัญญาอย่างเดียวนี่เป็นเครื่องกำจัดนี่เป็นเครื่องบุกเบิกจิเด็ตัวมันปิดตันมาผลนิพพานนั้นไว้ให้เปิดตัวออกมาแล้วใจกับธรรมจะฉายแสงออกมาที่ ที่ตัวเองเมื่ออำนาจแห่งมัชชิมาปฏิปทาและเปิดออกหมดกำจัดออกหมดมีเท่านี้เครื่องเปิดหรือทำลายมรรคทิเลศซึ่งเป็นตัวปิดกั้นมรรคุนิพานนอกนั้นไม่มี <c oughs> ดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นไม่มีอำนาจวาสนาที่มาปิดกั้นมรรคุนิพานได้เลยนอกจากทิเลศ อย่างเดียวเท่านั้นนั่นในขณะเดียวกันกม็มีอะไรที่จะเปิดหรือทำํำลายยิเลศที่มันครอบงํำในหัวใจปิดตังในหัวใจออกได้เหมือนมรรคหรือเหมือนธรรมเลยนี่ขึ้นอยู่กับนี้เท่านั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการสถานที่ให้เล่นกันลงที่นี่ปฏิบัติตรงที่นี่ยิเลศมันประกาศตังวานอยู่นี้ด้วยอํานาจวาสนาของมันเราจะสู้มันหรือไม่สู้ความโลภมันก็แสดงความโกรธก็แสดงความรักก็แสดง ความทางก็แสดงความขยดอะไรแสดงอยู่ที่นี่ความอยากประเภทต่างๆแสดงอยู่ภายานจิตไม่ได้แสดงอยู่กับดินฟ้าอากาศกับการนั้นรถานนี้ที่นี่ เ, เวลาที่ไหนมันประกาศอยู่ที่ใจเพราะค่าศิ์มันอยู่ที่ใจมีมากมีน้อยมันก็ประกาศสัปดาห์ขึ้นมาที่หัวใจนั่นแหละเพราะมันอยู่ที่หัวใจจึงต้องใช้ความภาคเพียรต่อสู้กัน ไม่ต้องกลัวตายตายด้วยการชําระตายด้วยการต่อสู้กับกิเลสมีชื่อเสียงเกียรติยศเป็นที่มั่นใจในตัวเองทุดท้ายก็ไม่ตายไม่เคยเห็นพระองค์ใดตายด้วยการประกอบความพักเกียรเห็นแต่กิเลส ต, ตายเท่านั้ น, นแหละจทุกข์ยากลาบากขนาดไหนเช่นพระพุทธเจ้าก็เพียงขั้นสลกทุดท้ายกิเลสก็ตายเลยสลกไปกิเลสตายสาวกก ยังฝ่าท้าแตกยังจักสุแตกเป็นต้นสุดท้ายก็ท่านก็ไม่ตายยิเลศตายต่างหากนี่เราทำไมจะมาตายเพราะความภาคเกลียนมีแต่เราคนเดียวนี่หรือจะมาตายเพราะความภาคเกียนเอาให้เห็นนักปฏิบัติถ้าอยากเห็นของยิ่ศเสษภายในจิตใ จ, จนี้เวลานี้ถูกของตําช้าเร็วสามของหาคุณค่าไม่ได้ตามหลักธรรมตามความจริงของธรรมครอบงำหัวใจอยู่แนี้ ตรงแก้ออกด้วยความภาคเพียรด้วยความอุตสาห์พยายามด้วยความเข้มแข็งเมื่อแก้เอาอได้โดยลําดับๆจะเห็นคุณค่าของจิตใจนี้แสดงตัวขึ้นมาเรื่อยๆแล้วกลายเป็นความบูดดื่มธรรมเพราะรสของธรรมตั้งแต่สมาธิธรรมคือความสงบผู้เย็นก็ปรากฏขึ้นที่ใจปัญญาธรรมคือความแยบคายของจิตคิดในแง่ต่างๆอันเป็นเครื่องสังหารกิเลสประเีทต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาปรากฏขึ้นมา จนเวลาสุดท้ายกิเลสก็ราบเรียบไม่มีอะไรเหลือเพราะอํานาจของสติปัญญาศรัทธาความเพียรของผู้เอาจริงเอาจังของผู้กล้าเป็นกล้าตายในสงสารผู้นั้นแลเป็นผู้ที่จะได้ครองธรรมตะธรรมอันพิเศษภายในใจนี้ทั้งๆ ท, ที่โลกอยู่ด้วยความหิวกระหายอยู่ด้วยความทุกข์ความทรมานทั้งร่างกายและจิตใจเราจะอยู่ด้วยความสำราญบานใจสม่สมําเสมอเป็นอากาศิีกิจอากาศิาีกระทเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่ขนาดที่ ได้รู้แจ้งแทงตลอดในทำทั้งหลายเต็มเม็เต็ ม, ตมหน่วยเต็มน้อยเปอร์เซ็นต์แล้วผู้นั้นเป็นอาการนี้กับบุคคลส่วนร่างกายถึงการแย้มมันก็แตกก็สลายเป็นไปตามธมรรมดาของธาตุสี่ดินน้ำลงไฟซึ่งเป็นส่วนประสมไม่ผิดอะไรกับโล ก, กทั่วไปมั้นแตกกระจาย ก, กันไปได้แต่จิตดวงนี้กับทาเป็นอันเดียวกันแล้วไม่มีคําว่าแตกไม่มีคําว่าสลายไม่มีคําว่าเกิดว่าตายต่อไปอีกไม่มีคําว่าทุกข์ยากลําบากตั้งแต่ขณะได้บรรลุธรรมขั้นนี้ อันนี้แล้วอย่างถึงใจนี่แหละถนวานิพพานังไปมังสุ ข, ขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งก็คือว่าสุขเลยโลกของสารที่เคยได้รับกันมานิพพานังปรามังสุญญ์ยังสิ่งที่เป็นข้าศิกตอ่อจิตใจมาดั้งเดิมนัม้นได้สูญสิ้นไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือเลยถนวัตเสวยยมุติสุขท่านค่ไม่ได้เหมือนท่านเสวยสุขเวทนาเราสุขเสวยสุขเวทนานี่นะผิดกันคนละโลกถนวัตเสวยยมุติสุขท่านว่า คำวมาเสวนมีมุติสุขนั้นไม่ใช่เวทนาเป็นธรรมชาติของตัวเองเป็นหลักธรรมชาติแห่งรสชาติอันนั้นเนี่ยอยู่ที่ใจไม่อยู่ที่ไหนไม่อยู่ที่การสถานที่ไม่มีพุทธะที่แท้จริงก็คืออันนี้เองพระพุทธเจ้าจากปนิพพานนานไปกี่ปศ ก, กี่ชาติโ อ, อก้กี่ท่านกี่องค์ก็ตามพอรู้ธรรมชาติอันนี้ ภายในจิตใจของเราดวงเดียวเท่านั้นเป็นอันเข้าใจไปหมดในบรรดาพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายกี่มือกี่แสนกี่ล้านองค์ไม่สงสัยเพราะเป็นธรรมชาติอันเดียวกันเหมือนกันนี้มันมีอะไรผิดแปลกจากกันนักตุ้ยเยวา ป, ปาปิโยหาความยิ่งยอยกว่ากันไม่ได้เลย<ม>นี่พระพุทธะที่แท่จริงธรรมะที่แท่จริงสังฆะที่แท้จริงรวมกันแล้วเป็นธรรมแท่งเดียวภายในจิตใจของผู้ปฏิบัติได้เนี่ยเอาให้จริงให้จังในเบื้องต้นแห่งการฝึกฝนอบรม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 จอสติลงตรงนั้นไม่ต้องไปขาดผลหนักเบามากน้อยสูงต่ำหยาบละเอียดอย่างไรนอกไปจากความรู้อยู่กับลมโดยเฉพาะเฉพาะอิกเมื่อได้จดจ่อต่อเนื่องกันอยู่ด้วยความมีสติกับลมนั้นแล้วแต่เป็นจิตที่ค่อยสงบตัวเข้ามาสงบตัวเข้ามาความสงบตัวเข้ามาของจิตก็จะเป็นเพื่อให้เราสนใจกับความอาการของความสงกเข้ามานั้นอีกทีโดยมีสติอยู่กับลม สุดท้ายลมก็ละเอียดลงไปละเอียดตรงไปจนกระทั่งติดสงบแน่วมีเอาเพียนท่านนี้ก่อนเราจะกําหนดพุดโทโธหรือคําบริกรรมคราใดก็าตามให้มีสติติดแนบอยู่กับคําบริกรรมนั้นๆชื่อว่าพุทภาวนาด้วยความชอบธรรมแล้วอย่าไปคิดถึงเรื่องสวรรค์เรื่องนินพพานเรื่องนรกอเอาไปที่ไหนนอกเหนือไปจากงานของเราที่กาลังทําอยู่ด้านนั้นคือคําบริกรรมภาวนาอันนี้เป็นหลักสําคัญมาก ตั้งใจไพฝึกปฏิบัต <c oughs> ิเวลาหลับเวลานอนก็ต้องในฝึกหัดตนเองเตือนก็ต้องได้ฝึกหัดฝึกหัดทุกอย่างมาบวชแล้วเอาให้จริงให้จังนิสัยที่เคยเป็นมาตามยาถากรรมของกิเลสถูถอยไปมาอยาจย่ำทำลายอยู่ตลอดนั้นให้ถลักดันออกไปเอานิสัยของธรรมะนิสัยของผู้ปฏิบัติธรรมของผู้เป็นฆ่าฆ่าศึกต่อกิเลสนํามาใช้ดังนั้นจะมีความสุข ควาสบายจเจริญรุ่งเรืองภานจิตใจศาสนาเจริญไม่จเจริญที่ไหนน ะ, จะเจริญที่ายเสื่อมก็เสื่อมที่ายของแต่ละคนละคนจะเจริญเจริญที่นี่จเจริญที่สุดก็คือใจถึงมิมุติพ้นเป็นศาสนาจเจริญที่สุดในบุคคลคนนั้นอพากันตั้งออกตั้งใจออไปปฏิบัติณนะวันตั้งแต่บัดนี้ไปจนกระทั่งถึงวันออกพรรษ า, าการทูดงฆวัตก็ดังที่เคยปฏิบัติมาแล้วอินทบ นับแต่ของทายนอกวัดเท่านั้นนี่ก็เคยเข้าใจเคยคึยเคยปฏิบัติมาแล้วแนี่เรื่องข้อวัดปฏิบัติก็ต่างองค์ต่างสนใจต่อนหน้าที่การงานของตนข้อวัดปฏิบัติที่เป็นจิตส่วนรวมนี่ก็ให้ถือว่าเป็นจิตจําเป็นของตนแต่และองค์ละองค์ย่าได้อืดอาดเงยนายอย่าเอาละเอาเปรียบหมู่เพื่อนแบบนิสัยโลกโลกมาใช้ความเอาละเอาเปรียบหมู่เพื่อนให้หมู่เพื่อนทาแล้วเราไม่ทําก็ได้นี่เป็นเรื่องของกิเลสมันแอบกินหัวก้น มันแอบเหยียบย่ำทำลายจิตใจของพระองค์นั้นๆเ<ม>ราฉล า, าดเราฉลาดด้วยอำนาจของกิเลสต่างหากให้ฉล า, าดด้วยอำนาจของธรรมที่จะสังหารกิเลสพ<ม>ราะฉะนั้นจริงต้องเป็นคนขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การความข้อวัดปฏิบัติให้มีความเข้มแ ข, ข, ข็งอดทนอยู่ด้วยกันก็ไอต่างคนต่างระวังตนนี้แหละมาก ทำผิดถูกเพื่อดีประการใดของผู้อื่นอย่าไปวินิจฉัยมากยิ่งกว่าการวินิจฉัยตนเองเป็นอันดับแรกก่อนถ้าเราคอยจะไปนวนิจฉัยคนอื่นนั่นนั่นเนี่ยจะคอยหาเรื่องหาลราเอาเรื่องอาเราอันเป็นเรื่องของเกียรติเข้ามาจ่ายสละขายตัวเองไม่ใช่ของดีไม่ใช่สิ่งที่ถูกทางซึ่งไม่ควรจะนํามาช้าในวงของวัดในวงของพระผู้ปฏิบัติล้วนๆนี่เลยีรยักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้แพากันอยู่ด้วยกันเป็นผาสุก ตางองค์ต่างมีเจตนาอันเดียวกันอืทุกยากลาบากแค่ไหนก็อย่างที่เราเห็นนี่แหละทนออาหารการบริโภคตามธรรมดาแล้วมันเหลือเฟอือยอย่างที่ว่านเพราะฉะนั้นจึงได้ห้ามมองดูแล้วมันเหลือเฟือเปาเหลือประมาณเราเคยปฏิบัติกับครูบาอาจารย์มามก็ไม่เคยเห็นเหมือ น, นพิลึกนอกจากนั้นอาหารทั้งวัดอเขาทํามาถวายอยีกล้นเหลือมันท่วมจะตายแล้ว ศา ส, สนาเจริญด้วยอาหารในขี้เล็มันพ่อคูณหัวใจไม่เจริญด้วยธรรมศา ส, สนาเจริญด้วยธรรมกต้องเป็นไปด้วยความประถายเผลนเนั่งสำหรับนักปฏิบัติอดอดทนทนอย่างนันนน้นจึงถูกต้องตามหลักธรรมมันนี่กอกเปียแสดงเปี่ยตนตรงนี้ก่อนรู้สึกเหนือ่อยอ๋อ